อะไรคือความดีหรือความชั่วสาคัญอะไรคือความถูกหรือความผิดสากลญจริงอยู่มีกฎแห่งสินธรรมบางอย่างที่ยอมรับกทั่วโลกว่าถูกต้องเช่นความกตัญยูกระตะเวทีความขยันหมั่นเพียรความมีเมตตากรุณาความยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามในธรรมเหล่านี้มีข้อยกเว้นอยู่มากมายเกี่ยวกับบุคคลกาลเทศะสมมุติว่าเราจะตั้งปัญหาขึ้นว่าความยุติธรรมคืออะไร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 โดยไม่ต้องระแวงในความเศร้าหมองแห่งสีลของตนแต่สังคมฮินดูหมายถึงพรฮินดูจะไม่ยอมแตะต้องเนื้อสัตว์เลยส่วนออดิวมอรัลิจนนั้นพยายามแสวงหาความดีในตัวมันเอง Good in themselves ความดีหรือความชั่วที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของสังคมมันดีในตัวเองของมันเองและชั่วในตัวของมันเองอย่างที่คูตัวกล่าวว่า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 คือความดีอย่างหนึ่งเป็นสิ่งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งยั่งยืนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ใช่้ครจะนึกคิดปรุงแต่งเอาได้นอนอธิฟิชักฎนี้มีอยู่ในส่วนสาคัญที่สุดของสิ่งทั้งปวงกฎนี้เม้สังคมจะไม่รู้แจ้งแต่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันมีเหตุผลในตัวของมันอย่างเต็มที่คำของคูดวร์ดตรงกับพระดารัสของพระาศาสดาเรื่องธรรมนิยาม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 จะโดยรู้หรือไม่รู้ก็าตามผลย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเองเหมือนหมู่คนปลูกต้นไม้จะรู้จักชื่อมันหรือไม่ก็าตามมันย่อมออกใบดอกและผลตามชนิดของมันจะเป็นนักพฤกษศาสตร์หรือตาสีตาสาปลูกก็ไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของต้นไม้นั้นได้เมื่อมลเมล็ดพืชมันเป็นมะม่วง ม, ลลมันต้องเติบโตขึ้นเป็นมะม่วงเมล็ดพืชเป็นทุเรียนมันต้องเติบโตขึ้นเป็นทุเรียนความแตกต่าง ม, มีเพียงว่า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 เพื่อจะได้เว้นสิ่งที่ผลเว้นคนทําความชั่วยอยู่เสมอต้องเดือดร้อนเพราะความชั่วของตนดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาชะคระเปรตพระศาสดาทรงสแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่พระเวลุวันเมืองราชครึืความว่าสมัยหนึ่งพระมหาโมคคลานะกับพระลักษณะลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นสัตว์ตนหนึ่งคืออาชะคระเปรต ด, ด้วยจักษุทิพย์ เปลวไฟลุกขึ้นจากหางของมันลามไปจนถึงหัวลุกหัวลามไปถึงหางลุกจากหัวและหางทั้งสองไปรุมอยู่ที่กลางตัวพระมหาโมคคลานะเห็นดังนั้นจึงยิ้มน้อ ย, อยเมื่อพระลักษณะถามว่ายิ้มอะไรท่านตอบว่าบัดนี้มิใช่เวลาตอบปัญหาขอท่านจงถามในสำนักพระาศาสดาเถิดเมื่อกลับจากบินฑบาตฉันเสร็จแล้วพระเถระทั้งสองเข้าเฝ้าพระาศาสดาพระลักษณะถามอีก พระมหาโมกขลาน่จึงเล่าให้ฟังว่าได้เห็นเปรตตนหนึ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสัตว์เห็นปานี้ท่านไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาทรงสำับแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักสุแล้วภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็เคยเห็นเปรตนั่นที่โพธิมณฑลอันเป็นที่ตรัสรู้แต่เราไม่พูดเพราะเกรงว่าพูดไปหาคนไม่เชื่อ ความไม่เชื่อนั้นไม่เป็นความดีสำหรับผู้นั้นบัดนี้เราได้มหาโมฆลลานะเป็นพยานแล้วจากพูดเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงปุพพกรรมของเปรตนั้นจึงตรัสว่าในการแห่งพระกระศบทศพทลเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุมงคลเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้สละทรัพย์เป็นอันมากสร้างอารามถวายสงฆ์มีพระกสพพุทธเจ้าทรงเป็นประมุก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 เข้าไปเดินเตร่อยู่ในวิหารเป็นเวลาถึงเจวันก็มาด้โอกาสฆ่าเศรษฐีฝ่ายท่านเศรษฐีถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขตลอดเจวันถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์บุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์เจครั้งตัดเท้าโคในข้อเจ็ครั้งเผาเรือนเจ็ครั้งและคงจะเป็นคนคนเดียวกันนั่นเองที่เผาพระคันธกุลีข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อน โจนได้ยินคำนั้นแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นในใจว่าเราทำกรรมหนักเสียแล้วหนอเศษฐีไม่ได้มีแม้แต่ความแค้นเคืองในเราผู้ทำผิดถึงป่านนี้ยังแผ่สูวนบุญให้เราก่อนเสียอีกถ้าเราไม่ให้คนอย่างนี้อดโทษเทวทันคงจะต้องตกถึงเราเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วหมอบลงแท้ท้าของเศรษฐียอมรับสารภาพกรมที่ตนได้ทำได้ทุกอย่างและให้เศษเรษฐีระลึกถึงคำพูดของตน อ, Milliarden. อันเป็นเหตุให้เขาอาฆาตในเช้าวันหนึ่งเศษฐีรระลึกได้แล้วจึงกล่าวว่าเข้าไเจ้าอดโทษให้ท่านขอให้ท่านอดโทษแก่ข้าพเจ้าโดยท่านจงลุกขึ้นไปเถิดเข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านแล้วถ้าท่านอดโทษขอได้โปรดรับข้าพเจ้าและบทพัญญาไว้เป็นทาสในเรือนของท่านไปเถิดโจนว่าเศษฐีรจึงว่าเข้าไเจ้าพูดเพียงเท่านั้นท่านยังทำแก่ข้าพเจ้าถึงเพียงนี้หากท่านอยู่ในเรือนข้าพเจ้าจะพึงว่ากล่าวอะไรท่านได้ ข้าพเจ้าอวยโทษให้ท่านแล้วจงลุกขึ้นไปเสียเถิดด้วยกรรมนั้นโจรทำกาละแล้วบังเกิดในเอเวจีนรกสิ้นกาลยาวนานบัดนี้เกิดเป็นอาชาคราเปรตถูกไฟไหม้อยู่ที่ภูเขาคิจกูรเพราะเศษกรรมที่เหลือพระศาสดาตรัสปุพพกรรมของเปรตนั้นแล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายคนพานทำกรรมอลามกอยู่ย่อมไม่รู้แต่ภายหลังย่อมเ ร, าร่าร้อนเพราะกรรมของตนนั่นเอง ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอัฐปาปานิกรร ม, มานิเป็นอาธิมีนยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น